ท่านฟังที่เคารพคะรายการสัมสนสมนาคะ่ะได้ฝึกปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะบอกไม่ได้ฝึกหรอกเพราะว่าฝึกมานานแล้วตอนนี้ปฏิบัติได้แล้วกับพระมาชาคาวโรนะคะวัฒนาป่าพงลำลูกาคลองศิทธ์กันแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งปฏิบัติไปแล้วฟังธรรมที่ดิฉันจะได้กราบเรียนถามรพระอาจารย์ไพลบุตรพิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกให้ท่านนําเอาพุทธวัจนะมาตอบ ในช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวัจนะต่อไปนี้ค่ะนสัส ก, การค่ะท่านคะเรียนปอค่ะมีคำถามที่ท่านฝั่งทางบ้านถามท่านมาอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะตอบให้เลยก็แล้วกันค่ะที่ว่าคุณสีพงศ์ส่งคำถามเข้ามาก็เรียนถามว่าคำว่าเวทนาและสังขารในขันห้าและปฏิจจ คือที่ปรากฏอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาในขันห้ากับในปฏิจจสมุปบาทที่บอกว่าเพราะมีอวิชชาใช่ไหมคะอืมใช่ใช่คือมีสังขารอืมถูกค่ะเหมือนกันว่าเวทนาและสังขารใช่ไหมค่ะเวทนาในขันทั้งในขันทั้งห้าพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง นะเวทนาในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงเวทนาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแ ล, แล้วก็มีที่อื่นอีกที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเวทนาเนี่ยมี3อย่างก็มี5อย่างก็มี6อย่างก็มีร้อยแอย่างก็มีมีหลายอย่างมากนะซึ่งทั้งหมดก็คือเวทนาเดียวกันค่ะเวทนาเวทนานี่แปลว่าความรู้สึกความรู้สึกสมมุติบางทีเรามีความรู้สึกทางตา เรามีความรู้สึกไม่ชอบทางตาชอบต่างตาหรือไม่ชอบทางหูอย่างนี้เรามีะะจะเราจะเอาสามอย่างหลักก่อนใช่ไหมคือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้สามอย่างหลักแล้วก็จะมีอีกหกอย่างคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันก็เป็นสิบแปดแล้วนะค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยทั้งในขันห้าทั้งในปฏิจจสมุปบาทก็คือเวทนาเดียวกัน ค, คือเวทนาเดียวกัน ใ, ในเมื่อ เป็นเวทนาเดียวกันที่อยู่ในหัวข้อทําไม่เหมือนกันกจึงอยากกราบเรียนถามท่านว่าขันห้ากับปฏิจจะไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรแล้วก็จริงๆควรจะเริ่มต้นถามว่าถ้าให้สรุปสั้นๆง่ายๆขันห้าคืออะไรปฏิจจะคืออะไรค ะ, อ, ะอ๋อขันห้าหมายถึงขันนี่แปลว่ากองน ะ, ะแปลว่ากองถ้าสมมติเราแบ่งสรรปสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เราก็จะแบ่งๆออกมันได้เป็น5้ากอง นี่น<ะ>นนคือการแบ่งของพระพุทธเจ้าทำไมแบ่งอย่างนีนะ้เพื่อที่จะปัญญัตธรรมให้มันง่ายนะจึงแบ่งออกเป็นห้ากองนะ<ะ>แล้วก็ในปฏิญาณสมุบาติคืออะไระปฏิญาณสมุบาติ เ, เป็นการทํางานของสิ่งต่างๆนะคือคือแบ่งเป็นห้ากองแล้วไงก็คือจบไปเท่านั้นนะก็อธิบายว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นทุกข์อะงต่างๆใช่ไหมส่วนถ้าเราจะมาดูการทํางานของขันตั้งห้าเนี่ยเราจะต้องมาดูในส่วนของ ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นอาศัยเหตุการณ์และการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเหตุการณ์และการเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูในส่วนของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ถึงจะอธิบายการทํางานของขันห้าได้นะคะอันนี้เพื่อที่จะใหะ้บางท่านอาจจะแบบเข้าใจนะว่ากําลังพูดเรื่องอะไรแต่พอให้นึกว่าเออขันห้ามันคืออะไรออธิบายไม่ได้ อันนี้ดิฉันเองก็ยังหาคำจำกัดความไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ก็เข้าใจเหมือนกันนะค ะ, ะถ้าฟังจากท่านเพบูลดิฉันทบทวนให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าคำว่าขันขันนี้ไม่ใช่ขันน้ำนะคะไม่ได้สะกดขอไคมห า, าการนอนหนูเฉยๆ <c oughs> แต่ว่าต้องมีทอทงกรันด้วยจึงจะหมายถึงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกที่พระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นห้าขันนี้ห้ากองนะคะ<ช>แล้วก็ หมายความว่าถ้าถ้าดิฉันจะถามท่านอาจารย์ว่าดิฉันเข้าใจชัดเจนไหมนะคะว่าหมายถึงว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนปรากฏอยู่ในแค่ห้าอย่างนี้เท่านั้นหน่ค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องห้าคุณสมบัติแลว้วเหอคะใช้คุณสมบัติได้ไหมะได้เหมือนกันคือคือเป็นเป็นคือเป็นคำอธิบายนะเป็น ค, คืออย่างสมมติว่าเวทนาเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายไว้ กิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดิ่งห่งเรียกว่าเบตทนาค่ะแล้วการที่ท่านท่านบัญญัตสิสรรพสิ่งทั้งหลายจําแนกออกเป็นห้ากองเพื่อให้เข้าใจง่ายในการจะอธิบายธรรมต่อไปนะคะถูกต้องะะถูกต้องเราจะบอกได้ไหมคะว่าท่านจะอธิบายธรรมอะไรทุกอธิบายเรื่องทุกแนวว่าทุกเนี่ยเป็นของที่ควรกำหนดรู้ เป็นของที่ควรจะรอบรู้นะรอบรู้หมายความว่าคือพอเรารู้5อย่างนี่มันมี5อย่างนะ <Okay. S 1> แต่ละอย่างคืออะไรพระอาจารยอธิบายไป อ, อย่างเช่นสัญญานะคือความหมายรู้นะอย่างเช่นหมายรู้ใน เ, เสียงหมายรู้ในกลิน่นหมายรู้ในสีพวกเนี้เป็นการหมายรู้ในอะย่างเรารู้ว่าอันนี้คือปากกาอันนี้เรียกว่าปากกานะแล้วมันมีลักษณะยังไงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างอี่เป็นต้น <Okay. S 1> นะเพื่อที่จะบอกถึงสภาพความที่มันเป็นทุกข์อื ค่ะก็เพื่อเพื่อที่จะอธิบายในสิ่งที่ท่านอยากสอนถูกไหมคะใช่เรื่องไอ<ห>้ ส, สีเข้าใจง่ายๆ่ายเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านตรัสรู้มาแล้วอยากจะสอนให้ทุกคนรู้จะได้พ้นจากความทุกข์คือคือถ้าเราจะพูดเรื่องความทุกข์เนี่ยนะมันพูดได้แอนิเริยายมรรคเจ้าเคยบอกนะีแต่ถ้าเราจะมารวบรวมอยู่แค่เหลือขันห้าเนี่ยจะไม่เกินไปจากขันห้านี้บางทีแค่เราปวดท้องเข้าห้องน้ำก็เป็นทุกข์ บางทีแค่ไปโทรศัพท์มือถือโทรไม่ติดโอ้ยเป็นทุกอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกทั้งนั้นน่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะไม่เคยเกินขันห้าทีนี้เพื่อที่จะทําให้การฟังธรรมของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะฟังจากท่านไปบรูรหรือฟังจากที่อื่นเนี่ยเป็นการฟังอย่างเข้าใจมากๆอืมเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าจะทำให้ท่านทั้งหลายนีิครองในเรื่องว่าขันห้ากองมีอะไรบ้างเอาไว้ก่อนนี่ก็ก็ได้ หรือว่าไม่จําเป็นในขันตั้ง5้านี่ก็จะมีรูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะที่เราเข้าใจกันอยู่ ค, คือถ้าเราจะแบ่งสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็จะแบ่ ง, บงเป็น1ต่อ4ใช่ไหมที่จับต้องได้ก็คือธาตุดินน้ําไฟลมลมนี่เราอาจจะไม่เห็นแต่เราจับต้องได้รู้ว่ามันมีอยู่ใช่ไหมเอาลูกโป่งมาใส่เป็นต้นนะส่วนอีกสอย่างที่เหลือเราจับต้องไม่ได้เป็นนมามธรรมคือคเวชนาสัญ ญ, ญาสังขารวิญ ญ, ญาณอย่างนี้ ท่าได้แ บ, บ่งเป็นสองส่วนก็เรียกว่านามรูปก็ได้เอา้านะคะทีนี้ที่ท่านพูดมาถึงตอนเนี้ที่ท่านว่าทำแบบเรียนหนังสือก็ดีเหมือนกันนะคะทํานพี่บุญ <c oughs> คือว่าวันนี้เราบอกทฤษฎีให้ออว่าขันห้ากองเป็นแบบนี้ทีนี้หมายถึงว่าแต่ละสรรพสิ่งแยกออกเป็นห้ากองถูกไหมคะในทุกสรรพสิ่งจะมีห้ากองนี้อยู่อมก็บันรไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งโลกนี้เลยทั้งโลกใบนี้ อเอาแยากได้ห้ากองทีนี้ที่บอกว่าให้ไปทําแบบฝึกหัดนะคะก็เหมือนกับว่ า, เ, าเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าพูดมันจริงว่ามีแค่ห้ากองไม่มีหลุดจากห้ากองอยงงูนะคะใช่ให้ทํำยังไงดีอะไรยังไงอย่างเช่นเราหยิบดินสอ ม, มาสักแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแเราดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้ไม่มีแต่ท่าท่าดินน ะ, ะหรือล้วถ้าเราหยิบกับข้าวมาสักจานหนึ่ง ไอที่เปียกๆนี่ไปเป็นธาตุน้ําที่แข็งๆนี่เป็นธาตุดินที่ร้อนๆนี่เป็นธาตุไฟเอ๊ะเรามีวิญญาณไหมมีรูปไหมมีสัญญามีเวทนาแลือพวกนี้ไม่มีนะพวกนี้เป็นเรียกว่าธาตุไม่มีชีวิตธาต่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารอย่างเงี้ยเอาอย่างสังขานี่อาจจะมีสังขานคือความปรุงแต่งแสดงปรุงแต่งรูปด้วยความเป็นรูปเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมีการปรุงแต่งมีสังขารกับมีรูปคือธาตุดินกับธาตุน้ําเป็นต้น เพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในความที่มันเป็นดินและเป็นน้ําของมันลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูได้ที่แบ่งอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการจะพูดถึงจิตใจของตัวมนุษย์เราเพราะถ้าเราพูดถึงมนุษย์เนี่ยเราจะมีเมตนาด้วยในมีสัญญาด้วยมันก็จะครบ5้าอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่เหมือนกับทั่วโลกเขามีกันคือหมายว่าในโลกนี้ยตัวเราก็มีอยู่ในในในตัวเราคือโลกทั้งโลกมีอยู่ในตัวเรา นั่นคือการห้าตนน้นเองค่ะก็หมายความว่าในความเข้าใจของดิฉันที่บอกว่าน่าจะไปทบทวนแล้วก็สนุกสนานไปด้วยเพลิดเพลินไปด้วยซึ่งเพลิดเพลินอาจจะผิดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือว่ายกไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนก็คือทําให้เวลาเราเกิดสมมติว่ายอย่างรูปเนี่ยดิฉันไม่ค่อยคิดว่าใครจะสงสัยอะไรเพราะว่ารูปมันก็เห็นไดชัดอยู่นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มองเห็น จับต้องได้ถูกไหมคะรู้สึกได้บแล้วทีนี้ถ้าในส่วนของของนามก็มคืออีกสี่อย่างเนี่ยใช่มันสามารถที่จะทดสอบได้กับตัวเองเออช่ว่ากระบวนการของเราเนี่ยการคิดของเราเนี่ยมันจะไม่หลุดไปจากอีกสี่อย่างดิฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้า้จะไปดูสิ่งอื่นเราดูตัวเองเราเลยดีกว่าได้ เช่นบางทีเราฟังเสียงนี้เรามีความสุขมีความทุกข์นั่นคือเวทนาเสียงที่มากระทบนั่นก็คือรูปอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วที่เราไปรับรู้เสียงได้นี่ก็วิญญาณใช่ไหมแล้วการที่เราพอรับรู้เสียงมาแล้วเราก็คิดว่าโอ้สงสัยเป็นเสียงของอาจารย์ใบบุญของคุณสรรสนีอันนั้นคือสัญญาใช่ไหมจำได้หรือหมายรู้กันหมายรู้อมายรู้ว่านี่เป็นเสียงของคุณสรนสนีนะอันนี่ก็ <c oughs> เป็นสัญญาขึ้นมา <c oughs> ก็มีครบ <c oughs> เลยเอาแค่ว่าดีดนิ้วโะเนี่ครบเลยคันห้านะคะแล้วก็ท่านก็ลองคิดว่าโอ้หท่านมีความละเอียดปกติชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะละเอียดกว่าคนอืน่นท่านลองไปหาดูว่ามันมีคันที่หกไหมมีมีใครหาคันหกเจอไหมคะท่านอืมอาตมาก็ยังหาไม่เจอไม่คะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นๆนะคะเราก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้เดนเองเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องขันห้าเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมาถามตัวเองค่ะคือคือค อ, อย่างนี้คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งกันตามที่เขาเข้าใจนะบางคนก็จะแบ่งเป็น conscious mind unconscious mind sub conscious mind ใช่ไหมบางคนก็จะแบ่งเป็นอะไรอีกหลายอย่างของเขาเนี่ยสมองระบบอ่าก็เรียกว่าระบบกล้ามเนื้อเรียบที่มันเป็นไปนตามอัตโนมัติหรือระบบอ่า กลไกฮอร์โมนอะไรต่างๆใครรู้ใครไงก็แบ่งไปตามที่เขารู้ไม่เป็นไรคุณแบ่งไปตามที่คุณรู้ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าแบ่งอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ว่าจะแบ่งยังไงเรามาจับดูเถอะมันจะไม่หนีจากห้าอย่างใช่ไม่มีทางหนีจากนี้นี่เป็นความมหัศจรรย์ของของปัญญาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์จริงๆนะคะคือเหมือนกับครอบคลุมไปหมด อ, มอย่างไม่น่าเชื่อแล้วที่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือที่บัญญัติเนี่ย เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำเนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความรู้ความและนิพพานน่ยมันจะเป็นไปทางนั้นคือคื อ, คอถ้าแบ่งอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะได้อยู่ใช่ไหมแต่พระเจ้าเราเรื่องที่จะแบ่งอย่างนี้เพราะอะไรมันจะโน้มน้อมเอียงเทไปทางนิพพานได้อันถือซะว่าเรารู้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนก็แล้วกั น, กนและดิฉันคิดว่าวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาไปศึกษามามันสนุกจริงๆกันนะคะใช่ใช่ <laughs> แล้วกจะทําให้เรามีความมั่นใจว่า โอ้มันสามารถตอบคําถามของเราได้หลายอย่างนะคะเมื่อสุกครู่นี้ก็เป็นการตอบคําถามที่ว่าเวทนากับสังขารในขันห้าและปฏิจจมีความหมายและหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ปรากฏว่าคําตอบก็คืออย่างเดียวกันนั่นเองถูกต้องถูกต้องก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็อีกหความหมายใช่ไหมคะก็คือความรู้สึกที่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องค่ะใช่คะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน แต่บนันทีมนุษย์เนี่ยรู้เรื่องอื่นหมดเลยนะคะแต่ลืมคิดถึงเรื่องธรรมชาติของเราอืมถูกรู้แต่ภายนอกไงนี่ย ค, คือคือข้อที่ตัณหามันลวงเราไว้ถ้าใจแ้าอย่างนี้พอจะพูดได้ไหมคะนี่แหละถึงต้องเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเพราะว่าทั้งทัง ท, งที่ไม่ได้ปิดอยู่กับเราแท้ๆเราก็ไม่รู้จนกระทั่งเรารู้ธรรมะ ข, ของพระพุทธองค์อืมเราจะเปิดได้ใช่แล้วก็ที่ที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกอวิชชากับตัณหาเนี่ยคอย คอยกั้นคอยดึงเราเอาไว้ให้เราพยายามที่จะไปสแสวงหาภายนอกแต่ทางออกจริงๆมันอยู่ข้างในค่ะท่านเป็นบุญคะ่ะเวลาเหลือไม่เท่าไหร่อยากจะกลับเรียนถามสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติธรรมรลีกเล้นสำหรับเตือนต่อไปจะเปิดเมื่อไหร่เผื่อว่าท่านทั้งหลายสนใจนะะก็จะเป็นเดือนกุมภาวันที่สี่ถึงสิบสองวันที่สี่ถึงสิบสองก็เหลืออีกไม่กี่วันตอนนี้เต็มหรือยังคะยังไม่เต็มยังไม่เต็มอ๋อคะ่ะก็สมัครกันไปนะคะ เปิดไปดูที่เว็บไซต์เพียวธรรมะไม่มีไหมคะหลวงพ่อด็อกเตอร์ดกกอทต้องหลวงพ่อด็อกเตอร์ดอทถ้าเพียว ธ, ธรรมะดอทนี่ไปอ่านการก็จะมีลิง ก, ก์กกไปได้ ล, ไลิงก์ไปที่หลวงพ่อด็อกเตอร์แล้วก็ถามคาถามไม่ได้ทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่อยากกลับเรียนถามท่านดิฉันเห็นท่านแจ้งว่าพระอาจารย์กับท่านเนี่ยจะเข้ากรุงเทพมาจากอุดร ก็จะไปแสดงธรรมที่วันนี้แหละจริงๆแสดงธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติการลูกเรือของการบินไทยที่อยู่ที่ตึกแต่แต่วส่วนภูมิเป็นการแสดงธรรมแบบปิดใช่คะคือหมายความว่าฟังได้เฉพาะคนบุคคลไปนอกไปฟังได้ที่ห้อง302หรือประมาณนี้แหละจริงๆในรายละเอียดที่เว็บไซต์หลวงพ่อด็อปเตอร์ก็จะมีรายละเอียดนี้ขึ้นให้อยู่ ค่ะแต่ขอรายละเอียดชัดกว่านี้ในรายการดีกว่าค่ะไปที่อาคารเลยนะคะท่านก็จะไปแสดงธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติการของการบินไทยอยู่แถวสุวรรณภูมินั่นแหละเขาเป็นอาคารเอชั้นสามห้องหนึ่งสามศูนย์สองก็ท่านหลวงพ่อดรสะอาดแล้วก็อาตมาก็จะไปด้วยกันอ๋อเรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินไทยใช่ตอนกี่โมงคะท่านคะตอนนี้จะเป็นตึกเรียกว่า OPC อ๋อ OPC OPC อยู่ที่ชั้นสาม สองหน่งาศูนสองเวลาบ่ายโมงตรงถึงสี่โมงเย็นอ๋อก็ยังพอมีเวลานะคะเผื่อเผื่อว่ามีท่านใดที่ประสงค์จะได้พบกับท่านอาจารย์สักทีหนึ่งก็จะได้ไปกันวันนี้เราคงจะรบกวนท่านจะเพยนเท่านี้ก่อนค่ะจะเรีนาการนัขอบพระคุณค่ะทุกฟังที่รับค่ะเราคงจะต้องบอกว่าติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ใช้เวลาจวนเจียนจริงๆสำหรับรายการสรันนิษฐสนทนาดิฉันสนนันสินฐนนาคงเชิญท่านมาฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะพุ้ทวัสวัสดีค่ะ